เริ่มกันใหม่เพราะนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็อยากขออธิบายคำสมาทานสักนิดหนึ่งที่ตอนท้ายว่าขอญาณทั้งหลายเหล่านี้มีทิพยคุญาณเป็นต้นมันหมายความอะไรนี่ก็หมายความเราขอบารมีพระพุทธเจ้าบอกขอมีทิพยคุยญานคำว่าทิพยคุยญาณ น, นี่มนนไม่ใช่หมายความเมตตาทิพย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 ว่าคนละสัตว์ที่เกิดมานี้ก่อนจะเกิดเคาเป็นอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอภเพนิวาสานสุสติญาณสามารถระลึกชาติถอยหลังชาติของตนเองได้เจตุริยญาณสามารถรู้ว่ารู้ว่าระน้ำจิตของคนอื่นว่าจิตของคนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ว่ามีกิเลสอะไรเป็นเครื่อง รวมความมารู้ใจเขามีกิเลสมากหรือ ม, มีกิเลสน้อยบรรลุมรรคผลหรือไม่รู้ได้แล้วก็ อ, อาตีตังสยานรู้เรื่องราวในอนดีตคือที่ท แ, ลแล้วมาของคนละสัตว์และสถานที่อนายคัตตังสยานรู้เรื่องราวในอนาคตของคนแลสัตว์และสถานที่ว่าจะเป็นยังไง ปัจจุบปนงังพยานรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไราได้มักผลขนาดไหนได้ชาสมาบัดขนาดไหนยถากรรมตายย า, า, า, า, ยานรู้ความดีและกฎของกรรมความดีและความชั่วขอ ง, ของคนที่มีความสุขหรือความทุกข์ได้เพระาะใช้กรรมอะไรเป็นเหตุนีการที่เราสมาทานข อ, ขอบารมีพรองสมเด็จพระบรมมรรคกิจเทศ ให้ได้ญาณทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงก็ทำไม่ยากเลยครับญาณทั้งแปดรายการนี้ทำไม่ยากแต่ว่าท่านนั้นหลายเป็นคนเอาจริงผมว่าไม่เกินสามเดือนทําไมผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเองผมฝึกเจ็ดวันนั่นเอง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 ถ้าเราเอาจริงเอาจังทำได้ที่วัดเรานี่มีกำไรมากผมสร้างแบบไปทุกอย่างท่านจะอะไรแก่งก็ได้หมดแต่สังเกตดูให้ดีนะว่าใครจะได้ยานแปดยานน่ยานใดยานหนึ่งนั้นต้องสังเกตจะดียาถ้าจิตหนักในความรักในเพศจิตหนักในความโลก จิตหนักมาในความโกรธความเพียบบาตรหรือว่าจิตหนักมาในความหลงอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าบังเอิญเขาจะเคยได้ยานยานก็พังดูตัวอย่างพระเทวทัตได้ปัญญาสมาบัติเพราะจิตกำเริบคิดว่าจะคิดอะไรจะแข่งบา ร, รมีกระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาค ใหญ่คิดว่าจะยึดอำนาจในการปกครองสงพราะจิตคิดเท่านั้นเองชาญสมาบัตพิพังสลายตัวหมดเาะ น, นัันว่าพระเทวทัตที่ชาญพังง่ายก็เพราะว่าอากตันยูไม่รู้คุณโ อ, องสมเด็จก็สสัมมาสัพพุติเจ้าและมีความโลภมีความทะเยอทะยานเป็นสำคัญ เป็นว่าท่านอังหลายที่เขาได้ยานทังหลายอย่างทั้งหมดนี่เขากินได้ทิพย์อยู่กุญาณอันเดียวก็ได้หมดทํ้ไม่ยากทั้งง่ายๆไม่ขึ้นกับพลังใจเป็นสำคัญแต่ว่าพ้านได้ยานอย่างนี้แล้วต้องคุมทุกอย่างถ้าผู้ชายไปรักผู้หญิงผู้หญิงไปรักผู้ชายยานพังเพราะนึกรักเขาหน่อยเดียวพังไปแล้วไม่เหลือ หรือ ว, ว่ามีความโลภอยากจะร่ำรวย้าเยอที่ยานมีความตะเกียบตกายอยากได้ทรัพย์สินมาปกครองเป็นของตนเพียงนึกเท่านั้นชานก็พังยานก็พังแล้ ว, วมีความโกรธความเพียบบาทคิดว่าแม้เขาไม่ดีกับเรานะเขาไม่ส่งไม่เสริมเรา เวลานี้เราไม่เราไม่เป็นที่รักของเขาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นยานพังเรปฉะ น, นั้นว่ายานทัานหลายที่ใครได้สังเกตโดยดีเขาไม่จะไม่มีอารมณ์อย่างนี้เพราะเขาต้องระวังเรืองว่ายานจะพัง <c oughs> แต่ว่ายังเป็นโลกรีวิสัยยังไม่ถึงเมืัสโสดาบันยังไงยังไงก็มีจังหวะพังจนได้ แด้พังแล้วก็ตั้งตัวใหม่ได้สังเกตได้ว่าคนพวกนี้เขอมีจริยาดีเสมอไม่เบียดเบียนใครไม่คมขี่ใครไม่คมขู่ใครไม่ทนนงใครไม่นินทาว่ารายใครมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงร์รเป็นคนที่เต็มไปมด้วยความกระตันยูรู้คุณคน คุณทำความดีทั้งหมดอย่างนี้ท่านผู้ทรงยานอย่างนี้เขาสรงไว้อะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ดีเขาไม่ทําในเรือการแห่งคนผู้นี้มักจะไ ม, ม่ไม่เห็นกับชีวิตของตนชีวิตเป็นเรื่องเล็กแต่ความดีเป็นเรื่องใหญ่ตายช่างมันส่งความดีให้ได้ก็แล้วกันนี่ความยิงท่านที่ได้ยานทลายเหล่านี้เป็นอรหันต์ง่าย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 ในคนนี้เขาได้ยานแบบนี้ไม่มีใครเขาแช่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนก็หายากไม่มีใครเขาจะไปพักอยู่แค่นั้นเขาก็จะเกียร์ตะกายหาความเบืยอละหันจนได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมไปผ้าหันไปด้วยนะผมเล่าให้ฟังตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเท่านั้น <c oughs> วันนี้เราก็ไม่หาเรื่องเรื่องเร็ว เื่าเรื่องเราเลวที่เนื่อในความโกรธเอามาคุยสู่กันฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามมาในพระสุตตันตปิฎกสัญญุตนีกายสขารวะเล่มที่เท่าไรไม่ต้อบอกดีกว่าละมัง้งอย่าไปบอกเลยนะเล่มที่เท่าไรเนี่ยเล่มที่สิบห้าน่ะพระไตรปิฎกสยามรัฐ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 พูดไปก็เท่านั้นแบบแผนก็มีอยู่แล้วพอฟังตอนเย็นก็ฟังพูดไปก็เมื่อยปากเอาตัวตากิเลสกันดีกว่าว่ากันต่อไปท่านกล่าวว่าสมัยหนึ่งเมอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระ ม, มหาวิหารชื่อว่าบริวารถ้าท่านกล่าวว่าวิหารนี้ สมัยนั้นเป็นสวนเป็นที่พระราชทานเหยือแก่กะแตของพระเจ้าบดินทรคดแต่งกล่าวว่าอกโกสกะพารัวาชจพรามชื่อยาวเหยียด <c oughs> อะอกโกสกะพารัทวาชจพรามได้ยินข่าวมาว่าพรามีนามพารทวาชโคดเพื่อนกัน ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตในสำนักพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังแล้วก็โกรธวันน้อยแน่พระสมณโคดมตัวถือละทิอย่างหนึ่งมาใหม่มาแสดงตัวเป็นเด่งกับพวกเราเอาเพื่อนของเราไปบวชอันนี้ใช้ไม่ได้โกรธจัด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 เอ้คนไม่ดีคนไปไงฟังต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยแก้ไข ย, ยังไงเวล า, าเหลือน้อยนะเฮงกล่าวว่าเมื่อเมื่ออโคสกะภาระทวาชะฟรามหายาวเหยียดอโคสกานี่ไม่จริงลวมั้งแม้แกแต่โกนดา่าในอโคสกาได้ยังไงแล้วปกุเนเอ้คนจะบอกโคศก แต่โกรด่ากล่าวด่าพราะพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วสำเร็จพระผู้มีสำเร็จพระบาะทีแก้วได้ทรงตัด ก, ก, กะอโกศกาพรามอกโกสกาภาระทวาชพรามมาดูก่อนพรามท่านมีความสำคัญอย่างไงในความข้อนั้นเป็นชไหน เรืมิตรละมาตที่เป็นญาติสายุหิตของท่านผู้เป็นแขกของท่านเคยมาหาท่านบ้างไหมฟังให้ดีนะว่าเวลาถ้าเราถูกดา่าละอย่าลืมนะเราเป็นลูกพองพระเจ้าต้องถูกด่าแน่อย่างพวกท่านอาจมาเป็นลูกใหม่ๆอาจจะถูกด่าน้อยอย่างผมนี่ไอ้คำด่าที่ชาวบ้านเขาด่ า, ดาชา ว, วัดด่านะ่ะ เพราะว่าจะตั้งช้างสักร้อย้างถ้ามันเป็นวัตถุ ก, ก็ล้นถูกด่ามาซะจนหน้าด้านใจด้านหนังด้านไปหมดแล้วใคราด่ายังไงก็ฉางแต่โกนด่ายังไงก็ฉางขี้เกียจตอบไอ้ขี้เกียจตอบเพราะอะไรว่าตอบด่าไปก็สู้เขาไม่ได้มันด่าสู้เขาไม่ได้ผมก็เลยไม่ด่าเลยแต่ก่อนนี่เคยดา่าตอบเขาบังการดา่าจริงๆจา ง, จ ง, จงสู้เขาไม่ได้เขาเก่งกว่า แล้วเลิกด่าเพราะเลิกด่ามันก็ไม่เหนื่อยนี่ดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าต่อไปท่านต้องจําไม่นะว่ายังไงยังไงพวกท่านก็ถูกด่าแง่แงไม่ต้งองห่วงเรื่องด่าเตรียมตัวไว้ด้วยท่านถามทั้งว่าญาติหรือว่าอามาตรรอเพื่อนเคยมาหามัางไหมอาโคเซกะทาราทวายเจพราม์ก็ตอบว่า พราสมณะโคโดมผู้เจริญมี่เขาแสดงการเหยียดหยามในะการเรียกชื่อเนี่ยมิตรธมัมญาติสายฤหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาในการบางคราวนี่ท่านที่แปลไว้บอกข้าพระองค์นะแต่ความจริงเขาไม่พูดกับข้าพระองค์คเขาโกรธโกรธเรื่องใคแยแครใช่คำพูดขอข้าพระองค์ว่าพวกแขกพวกญาติมิตรอมรมมาหาเราเหมือนกันในการบางคราว สำเ็จประสัมมาธรรมพุทธเจ้าจิต่ตแตถามว่าดูก่อนกรามท่านมีความสำคัญในข้อนั้นเป็นฉไฉไท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือว่าของดื่มต้อนรับมิตรแลม า, าดญาติสายลุกหิตผู้เวงนแขกเหล่านั้นมาบ้างหรือไม่มีไหมเวลาเขามาในจัดของรับรองเขานะั้นมีไหมพรามแกก็บอกว่ า, วามี พราสมณะโคโดมมีทําไมจะไม่มีเข้ามาก็ต้องรับสิในการบางคราวเราก็รับในการบางคราวเราก็ไม่จัดใก้แค่กใกล้ไปแล้วก็ไม่จัดถ้าไกลหน่อยก็รับพระพุทธเจา้าจตถามประภรามณ์ก็ถ้าว่ามิตรนามัดหรือแขกที่มาหานั้นเขาไม่รับของเคี้ยวของบริโภคและน้าดื่ม ที่ตัณฑ์ให้นั้นของนั่นไหลเหล่านั้นมันจะเป็นของใครพรามก็ตอบ ว, ว่าพระสมณะโอโดมถ้าเขาไม่รับไอ้ของเหล่านั้นมันก็เป็นของผมตามเดิมนะที่มันจะเป็นของใครล่ะโอ้สมเด็จพระจอมไตรยินิสง์แต่ตัวดูก่อนพรามข้อนี้ก็อย่างเดียวกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมมั่นมีความอาฆาตมา ร, รายเราผู้ไม่อาฆาตอยู่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะรับเรื่องการด่าเป็นต้นของท่านดูก่อนพราหม์เรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของของบุคคลของท่านแต่พืดเดียว ตามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านคนเดยียวแล้วแต่ต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์พูดใดด่าตอบบุคคลพูดด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่ไม้มั่นปั้นมือคิดอาคาดมัด ร, ร้ายบุคคลผู้ไมามั่นปั้นมือคิดอาคาตมัดร้ายอยู่ดูก่อนพราหม์ วันนี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันหมายความว่าเลวด้วยกันเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจบาลีทั้งว่าอ ย, อย่างนั้นนะี่ยเป็นนั้นว่าเ้าด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปเขาเลวแล้วก็เลวเอ้ความโกรธความนดะ่าเนี่ยมันเป็นความเลวไม่ใช่ความดีคนที่ดา่าคนท่านอย่านึกว่าเขาดีนะาเนี่ยเขาเลว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 ฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาเขาเลวก็ปล่อยเ ข, า เ, เขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราอย่าไปนั่งเลวกับเขาให้เดี๋ยวไม่จบอ่ะผมขอต่อเรื่องเลยท่านกล่าวว่าดูก่อนกรามผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันคือเลวด้วยกันแล้วย่อมทําตอบกันคือทําด้วยกันเราไม่บริโภคร่วมเราไม่ทําตอบด้วย เราไม่ทำตอบด้วยท่านเป็นอังคาดเพราะท่านอยากจะด่าก็ด่าเป็นคนเดียวฉันไม่ด่ากับแกละเชิญที่พระคุณด่าให้สบายถ้าเก่งจริงด่าจะหยุดแล้วท้าักกล่าแต่ว่าตอบไปว่าดูก่อนพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของท่านผู้เดียวพราม เรื่องการด่าเป็นต้นนั้นท่านพูดเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับไว้เราไม่ได้รับเท่าฤษีตอนนในยุ่งนีพราหมณ์ก็ถามว่าท่านบอกพราหมณ์พร้อมด้วยบริษัทแล้วก็พร้อมกับพระราชาโอ้ตอนที่นั้นมีคนเยอะนี่มีชาวบ้านมีทั้งพระมีทั้งพระราชามีทั้มาดมีเยอะท้าวเ่ากล่าวว่านี่ พระสมณโคโดมบริษัทของท่านมีพระราชาเป็นต้นย่อมทราบว่าพระสมณโคโดมผู้เจริญว่าเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์เช่นนั้นทำไมท่านจึงเลยียยังโกรธเราอยู่ล่ะพระเจ้าตอบว่าไงฟังให้ดีนะ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 มีองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตอบพรามแบบนี้จําไม่ดีนะถ้าเ้าด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเขาก็าคิดว่าเรานี่กลัวเขาเราโง่กับเขาควยจะด่าตอบแต่ว่าพระพุทธเจา้าทำไมไดคิดอย่างนั้นได้คิดว่าถ้าใครเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบ ใครเขาด่าเราเราไม่ด่ า, ดาตอบไม่ด่าตอบเราเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากก็หมายควาำว่าสงครามที่จะต้องต่อต้านต่อสู้ต่อ้อต่อเทียงซึ่งกันแต่กั น, กนมันมาจากความโกรธการที่เขาโกรธเราเราจะไม่โกรธตอบและเกาด่าเราเราจะไม่ด่าตอบเพราะความโกรธเป็นสำคัญบุคคลผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมสองประการไปจำใจ อย่างใดอย่างหนึง่งนั่นก็คือหนึ่งพรหมวิหารสี่ไม่ตาความรักกรุณาความสงสารโนตุตามีจิตอ่อนโยนอุเบกขาวางวเฉยและรายการที่สองผู้นั้นก็จะมีชานจากกระสินอย่างใดอย่างหนึง่งคือกระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นชาน ที่ว่าเป็นผู้ทรงความดีหนักจึงจะไม่โกรธตอบจึงจะไม่ได่าตอบในแน่นเมื่อท่าน ท, านทรงชานแนวสอนรายการอย่างนี้เป็นชันเบื้องตนเลือกความดีเล็กๆในพรมิหารสีก็เป็นชานหรือว่าในกรสิงก็เป็นชานก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามคือความโกรธคือไม่ในเมื่อไม่โกรธความเดือดร้อนมันก็ไม่มี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 เนี่ยมันขอบันดาท่านหลายที่เข้ามาปฏิบัติจงดูพระพุทธธรรมหลกขององค์สมเด็จโต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าจิตใจของเราฝึกฝนดีแล้วหมายความว่าเราทรงพรมีหารสี่ดีแล้วเป็นฌานสมาบัติหรือว่าทรงราสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วเป็นฌานสมาบัตินี่ยังอย่างต้นนะอย่างเล็กๆ เ, เราจะไม่แสดงการโกรธตอบ ถ้ายิงไปกว่านั้นอย่างองค์สมเด็จพระพุทธกวนทรงไต่กิเลสเป็นสมุทเฉติตหาลเป็นอรหรันคือยอดขออ้ออรหันจะไปโกรธตอบอะไรยิ่งกล่าวว่าคนที่ไปโกรธตอบเขาเนี่ยเป็นคนดีคนตอบเป็นคนเลวจำไม่ตรงนี้แล้วก็อานําไ ป, ปพฤติปฏิบัติแล้วก็ทํากายทําใจไว้พร้อมนลยครับท่านจงยานึกว่าท่านจะไม่ถูกเขาดา่า ท่านจงอย่าคิดว่าจะไม่ถูกใค ร, ครเขากลแรงและจงอย่าคิดว่าจะไม่มีใครเบียดเบียนท่านและจงอย่าคิดว่าอารมณ์โกรธนี่นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับใจของท่านแต่คิดแบบนี้ก็ประมาทเกินไปเหตุ น, นั้นว่าเรา เ, ราเราท่านท่านานางหลายก็เคยโดนกันมาแล้วทุกคนเวลาเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาล้วก็โกรธไปมันเป็นความสุขและความทุกข์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 เมื่อเขาอยากจะบ้าก็บ้าไปเราไม่บ้าอันดับแรกจะต้องใช้ขันติคือความอดใจรู้เบิดขาพยายามวางเฉยในตอนต้นก็ควรจะใช้คําว่าพยายามวางเฉยเขายามอดกลัน้นไม่อกลั้นนานๆพยายามนานๆเข้าความเคยชินไม่เกิดมันก็มีอารมณ์เฉยเป็นเบิดขาปกติ อยากจด่าก็ด่าอยากจะว่าก็ว่าอยากจะโกรธ็โกรธตามเรื่องของนายฉันไม่เกี่ยวนี่เป็นนันว่าพระนั้นไม่ได้ฟังกระแสวัฏธรรมทศสนาเขาองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงเลื่ อ, อมใสยิงกราษทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัสดาว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก ถ้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาสิทของพระองค์แจ่มแจ้ ง, จงนั่งในเขาซ้ํานะพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศทำโดยปริยายเป็นมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำหรือว่าเปวดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองปาะเทศแก่คนที่อยู่ในความมืดหรือว่าคนที่มีจกักษุบอด ทำไมเห็นทางได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์ผู้เจริญและขอถึงพระธรรมขอถึงว่าสงว่าเป็นที่ขึ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็ต้นไปข้าพระองค์พึงขอบันไมชาอุโบสมบดในบรรสนักของพระองค์เป็ปรพระสมัมมาโคโดมผู้เจริญในที่สุดต่านพรามณ์ผู้นี้ก็บวช บดภายในไม่ช้าก็มารลุอรามแต่ผลอาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพยูคาวาจรทั้งหลายเวลาเลยหนึ่งนาทีผู้อะไรไม่ไหวก็ขอยุติกเพียงเท่านี้ขอเตือนใจว่าท่านทั้งหลายถ้าจะทรงความดีในเคของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าลืมพระวาจาขององค์สมเด็จต่อสมมาสมพุทธเจ้า ว่าบุคคลใดผู้ชนะความโกรธชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากแต่ความโกรธที่เราจะชนะได้ยากนี้ก็ต้องอาศัยพมีอานสี่ประจำนใจหรือว่าทรงชาในเรสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจริงจะเป็นผู้ชนะได้ชนะเบื้องต้นเบื้องต้นนะถ้าวิาจัยนะความโกรธได้แล้วก็ที่ว่าเราเดินเข้าไปสู่พระิพานได้ขั้นหนึ่งมันมีสามขั้นอย่านั้น ละความโลภละความโกรธและความหลงเวลานี้เวลาก็หมดลงก็ข อ, อยุตติวัติเพียงแต่นี้เขาบรรดาท่านหลายจงตั้งใจสรงอารมณ์ใจให้มีความสบายแต่งกำลังใจที่สามารถจัดสอนได้ตามที่ทนินว่าเป็นการสมควรกับเวลาของท่านสวัสดี